ในวันพระก่อนพูดถึงเรื่องหลักปฏิบัติคือว่าถ้าหากว่าการปฏิบัติมันมีหลักชักจะเหลวหลักเป็นของสำคัญทาอะไรทุกอย่างถ้ามันมีหลักแล้วชักจะเหลวทงนั้นล่ะงานในดๆเหมือนกันทางนั้นนี่แหละ ว, ว่าเฉพาะทั้งเรื่องงานปฏิบัติ คำว่าหลักในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องหลักธรรมคำสั่งผู้ได้เจ้าเชื่อองค์เทศสนามีหลักจงได้อธิบายว่ามีทั้งหลักมีทั้งแรงไม่ใช่แตเพียงแค่ว่าหลักแรงนั้นถ้าพูดกันตามภาษาบ้านเราเรียกว่าเชือกสาหรับผูกเสกกับหลัก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 เวทนาไม่ปรากฏเห็นตัวคือความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นี่กเวทนาสัญญาคือความจำจดจำสิ่งนั้นถีงนี้ได้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้สึกมีเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาเป็นรูปไม่เป็นนาม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 ถ้าหากเราจะมีการคิดในมีการเังเกตหรือว่างตัวของเราในขณะใดที่เราไม่ได้ประกอบกิจการงานและไม่ เ, เด็นึกคิดอะไรมากมายเฉยๆนั่เนเรียกว่ารูปเอกขาเวทนาถ้าหากกู้หัดทำมสมาธิภาวนาจิตใจถ้าหากรวมเข้าถึงสมาธิหรือเข้าถึงสว่างเมื่อใดจะเห็นชาติรูปเอกขาเวทนามีแท้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 ความสุขนะเปนของละเอียดเข้าไปอีกควสุขธรรมดานีถึงเรื่องเวทนาความหมายของคําที่ว่าเวทนาในที่นี้ต้องใ้เข้าใจไว้ในการที่จะฟังต่อไปเวทนาก็ไม่อยู่ที่อื่นก็เกิดขึ้นที่ตัวของเราเนี่แหละมีที่ตัวของเราน่ะไม่ได้มีที่อื่นหรอกสุขก็ไม่ไสุขที่อื่นทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์ที่อื่น เฉยๆก็ไม่เฉยที่อื่นคือตัวของเรานี่ยงั้นจริงว่าธรรมมีอยู่ในตัวของเราอย่างอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นมี่ว่าจะก็วธทนาสัญญาความจําได้หมายรูปาไว่าจาได้ในที่นี้จํารูปจํานามจํารูปเช่นจําชื่อจําคนหน้าตาลักษณะท่าทีอย่างนั้นอย่างนี้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 ยังไม่ทําเป็นเปลวนะถ้าหากบางคนนะรุ่งเช้ามาแต่อื่นจะดึกรีบไปทําทงานตามที่ตนคิดนึกไว้แต่ก็ยังไหม่ไหม่หมดคือไม่เป็นปแปลงทั้งหมดแต่การแสดงเป็นเปลียนมาบ้างอังนนี้ตัวสังขารดีๆนะให้รู้จักหน้าตาตัวสังขารไว้มาเป็อย่างเงี้ยสังขารไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวขงองเราานั้น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 พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์จึงตรัสเทศนาไว้อย่างพวกเราพากันสวดอยู่น่ะพาลาฮาเวมนจากคันธาพาลาฮาโรจัปุคารุพาลาธ า, า, า, า, า, า, า, า, านาังทุกครั้งโลเกพารานิเคปะนังทุกขังนิคิปิตวาคารุงพลังอัญงพลังอนาธิยะ้ากันแปลกันอยู่แล้ว แต่หากบางคนอาจจะลืมคิดหรือไม่พิจารณาตามก็ได้ถ้าพิจารณาเรื่อของลึกซึ้งเลยเรื่องนั้นภ า, า, า, น า, า, าลาทันน า, าภาลานาเวปัญจคันธาขันห้าเป็นภาละดีท่านแปลขันห้าเป็นภาละเว้ยแปลงะนนทำาเว้ยนี่ย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 พาละนั้นท่านเรียกว่าอย่างที่เราพากันพูดพูดเดี๋ยวคําว่าเป็นพาละธุระนั้นนี่อะไรต่างคือเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นเรื่องที่จะต้องรับธุรหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการจึงเรียวกว่าพาละหน้าที่อะไรคันหามันเป็นหน้าที่อะไรรูป เป็นหน้าที่ที่จะต้องบำรุงบำรุงเลี้ยงดูรักษาภาระไหมคิดลงคิดลองสิเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีสบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องบริหารรักษาอยู่ดีสบายก็ต้องมีเครื่องเพลิดเพลินให้สนุกสบายเหงี่อห้อยก็ต้องหาก็บํารุงรักษาภาระทั้งนั้นถ้าอิ่ม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 ถ้าหากใครไปถึงเขตนั้นเขาแล้วจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสุขเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาละไว้เบื้องเขาไว้วางใจเขาน้ำหน้าถือตาเขาจะยกหย่อเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันทำไมเขาจะยกย่องเพรารับหน้าที่หรือรับภาระเขา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 อาการสละสละโดวยวิธีอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นชัดตราบใดแล้ยังจะยึดก็เป็นข้องเรายึดตลอดไปลาพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสเทศนาว่าอุปท า, าน เ, เนยไปยังทิศวา ย, ยาจีพรรณนาสังขเยถ้าหกใครมารู้จักมาเห็นไพรเห็นโทษในอุปท า, านนักขัคือการเข้าไปยึดขันห่านี่พอเป็นตนเป็นตัวเมื่ อ, อไร่แล้วก็จะไม่กลั่นจากทุกข์ถ้าหากไม่เห็นภพรของ การเข้าไปยึดถือขันห้าดังที่ไบายนี้ยึดว่าเป็นของตนของตัวแล้วก็จะสิทธิพบสินชาชาไม่มีเวียนว่ายแต่เกิดต่อไปมีวิธีทิ้งของคุณทราจทิงอย่างนี้ทิ้งโดยการรู้เท่าทิ้งโดยการเข้าใจตามเป็นจริงนี่เฉพาะรูปคันนีน้ถ้าไปเจรนาแล้วเกิดขึ้นมาเจ็บมันก็เจ็บที่หัวใจของเรา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 นเนื้อก็ไม่ได้กินนั่งก็มม่ได้นั่งตัวตนของเราทั้งหมดไม่มีใครจะเคยเอาไปทำปลร ะ, ละไปทำประสมกินหมดอไม่มีเรื่องมีราวใดเลยทิ้งกับลราแย่ที่สุดเป็นหนอนรงกาก็ไม่ได้กินซ้ำไปฝังทิ้งั้งมันมีอะไรบางเหลืออยู่ในนะ่ะในตัวของคนเรามีดีอะไรบ้างนอกจากจะเป็นพระละคนอื่นแล้วก็ไม่มีดีอะไรเลยพอตาย ก, ก็เป็นพระะคนอื่นอีกละ